ถ้าขอทุกคนฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานวันนี้ต้นต้นหมดก็ก็ะสินแต่ว่าเมื่อวานนี้พูดอนาปานุสติกพูดไปพูดมาก็หมดเวลาเสียก่อนในการเจริญกรรมฐานตามกองต่างๆที่บอกมาแล้วเป็นสมถาภาวนาแต่ถ้าว่าก็มีคนสนมาก มักจะถามว่าเมื่อจิตเสมาธิดีแล้วก็ยกจิตชั่งสู่วิปัสนาญาณใช่ไหมความจริงสมถกะกับวิปัสนาเนี่ยอยู่คู่กันเราจะเจริญเฉพาะสมถะอย่างเดียวก็ไม่มีผลคือทำไม่ได้เจริญเฉพาะวิปัสนาญาณอย่างเดียวก็ทำไม่ได้กระรงความว่าถ้าจะทำได้จริงๆต้องแต่สมาธิต้น ก็ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งวปัสสาร่วมกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้แยกตัวกันไม่ออกด้านวีปัสสนาญาณเขาเชื่อใช้ปัญญาถ้าเราจะเรียงตามแบบเ ร, เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วปัญญาเราใช้ก่อน รือว่าการจะรักษาศีลได้ต้องเป็นคนมีปัญญาต้องมีปัญญาเป็นเครื่อง ร, รัรู้มีปัญญาเเครื่องคิดหายเหตุหาผลว่าศีลที่สมเด็จโสสมาลวิเจ้าทรงแนะนําให้ปฏิบัติมีคุณและมีโทษและมีอะไรบ้างในเมื่อปัญญาเข้าใจต่างความเป็นจริงว่าสินคนรักษาจึงรักษาศีล แต่ว่าปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาอย่างอ่อนต่อไปเมื่ออารมณ์ข้าใจทรงสินอยาราลมว่าอารมณ์ข้อใจของทุกคนที่จะส่งสินได้จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเข้าควบคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าจิตขาดความรักขาดความสงสารจิตจะส่งสินไม่ได้ จิตจะทรงสินได้เพราะมีเมตตาควารมรักกรุณาาวามสงสารคุณธรรมสองอย่างนี้ทำอารมณ์จิตให้เยอกเย็นในเมื่อจิตมีความรักมีความสงสารควบคุมอารมณ์ก็เย็นจิตก็เริ่มเป็นสมาธิถ้าสินตั้งมั่นสมาธิก็เกิดสมาธิคืออารมณ์สงบจากอารมณ์นิวรณ์ห้าประ ก, การ เมื่อนิวรณ์หบริการไม่กรายกฏในจิตอารมณ์ก็มีความเยือกเย็นมีความสุขในเมื่อจิตมีความสุขคือได้พักจากอารมณ์ริ้นรนก็เกิดปัญญาปัญญาไม่เกิดเองตามที่พูดนี่ขอนําเอาเรื่องของอนาปานสติมาใช้เป็นปัญญาวิปัสสนาญาณเพราอวานวาี้ไม่ได้พูดคือว่าชาเราจะใช้อนาปานุติวิปาาัสสนาญาณการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออก เป็นสมถะภาวนาการรู้ลมเข้ารู้คลมเข้ารู้ออกสั้นก็ดียาวก็ดีเป็นสมถะภาวนาในเมื่อกําลังของสมถะภาวนามีการทรงตัวรู้หมายความว่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกรู้ลมให้ใจเข้ า, ออขายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นเวลานี้เป็นสมาธิของสมถะภาวนา ต่อไปเมื่อจิตทรงกําลังทาสมาธิพอพอกับความต้องการนั่นหมายความว่าธาตุบางท่านสามารถทรงจิตสงับได้เข้าด้วยประจารสมาธิได้และเข้าถึงฌานได้ถ้าเข้าถึงฌานจิตจะมีจิตใ น, ในอารมณ์ไปเอคตาคือเป็นหนึ่งมันจะมีการทรงตัวที่เราเรียกว่าดิง่งดิ่งก็บอก่าจิตดิ่งลงเพราะจึงไม่ดิ่งไม่จิตทรงตัว อย่างนั้นแปลการของฌานถ้าจิตในการดิ่งหรือในการทรงตัวดีในขณ ะ, ะนะนั้นจิตจะไม่มีเโอกาสคิดจะใช้กําลังจิตไปคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง้็ไม่ได้ฌานไม่คิดไม่ได้ <c oughs> เพราะการทรงตัวหนักมันทรงตัวมากแต่ว่าพอกําลังสมาธิลดตัวลง รถตัวลงมาถึงอุปจ า, ารสมาธิจิตจะมากมีความอิ่มเอิบจิตจะมีความสุขแต่จิตมีรมเคลื่อนไหวได้เดองคิดได้ตอนนี้เราก็ใช้กำลัง อ, อนาปานุสิงธาราเป็นมิปัญนา ย, ยานให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงขณะที่หายใจเข้านั่นคือชีวิตเกิดใหม่ขณะใดที่ใหใจออกมันตายไปแล้ว ให้คิดดูใหดีว่าลมหายใจจะออกไปแล้วเราไม่ดูดเข้ามาใหม่แต่สิ่งที่ดึงเข้ามาใหม่คือลมหายใจใหม่เมื่อเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผลักลมหายใจใหม่ที่เข้าไปออกทิ้งดึงเข้ามาใหม่เป็นอนันว่าชีวิตของเรานี่ตามบทศิษย์ท่านบอกว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ <c oughs> คําว่าเกิดคําว่าดับก็หมายถึงการทิ้ดูดลมหายใจเข้าดึงผลักลมหายใจออก ถ้าเราให้ใจเข้าจริงๆแล้วไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกโดยเฉพาะไม่ให้ใจเข้าอีกมันก็ตายด <c oughs> ังนัการให้ใจเข้าถือ ว, ว่าเป็นการเกิดใหม่การให้ใจออกช่วยตัวเก่าตายไปแล้วโน้ตโทวใหม่ก็เกิดใหม่ไม่เคยคิดถึงชีวิตจริงๆว่าชีวิตก็เป็นของไม่เที่ยง คือแม้จะดมให้ใจเขาออกของเราก็ไม่เที่ยงตัวนี้เป็นนิพพัฒนาญาแท้ถ้าอะไรจะว่าไม่เที่ยงดึงเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงลมรักษาลมไว้ตลอดจานตลอดสมัยในที่สุดก็ผักทิ้งไปในเมื่อความเกิดกับความดับของร่างกายมีเป็นปกติอย่างนี้วันนับไปสวนถ้าบันยัมีความเกิดแล้วก็ดับดับแล้วกเกิดเกิดแล้วก็ดับสลับกันอย่างนี้ก็เรียกสันตติต อาศัยการสิบเรื่องของสิ่งการเกิดกับการดับมันตายมันดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปแล้วกเกิดใหม่อันนี้ก็เกิดการสืบเนื่องตอนนี้ถ้ามาจริงๆถ้ามันออกไปแล้วไปกลับได้ากายก็ตายฉะนั้นก็ น, นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าทรงจัดร่างกายไปนี่จังมันมีสภาพไม่เที่ยงมีการไม่สมตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปกติทุกขัง ที่เราจึงต้องทรงร่างกายอยู่อย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ร่างกายเราไม่มีความสุขถ้าวันไหนทุกขอื่นไม่มีก็มีทุกข์หิวหิวอาหารบ้างปวดอุจจาระบ้างปวดกระสวะบ้างอย่างนี้ทุกข์ประปกติทุกข์ประจําวันเม <c oughs> ื่อมันก็ทุกข์การที่สุดร่างกายที่สุร่างกายก็สายตัวแปรนตัตตาอารมณความอารมณ์ให้ใจที่ดึงเข้ามีความเกิดชั้นใด ลมให้ใจที่ผลักออกสลายตัวชั้นใดร่ากายเราก็มีสภาพเช่นนั้นถ้าเรายังมีการเกิดยังมีการดับไปโบติเราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้สิ่งที่เราจะมีความสุขจริงนั่นก็คือนิพพานหมายความมาถึงแล้วก็ไม่ไม่ดับต่อไปไม่การทรงตัวตลอดเวลาตอนนี้ก็มาว่ากันถึงก้อสิ่งในระหว่างนี้จะยังไม่พูดเรื่องกรรมฐานประจจริต จะอธิบายไปกองกองไปก่อนสําหรับแก้วสินน่าไม่สิทธิ์ทำว่าแกา้วสินแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายก็ได้ดิมิทัศจะแปลตามโดยอัดแล้ในนิต ก, ก็ได้ดินิต ก, ก็ได้เครื่องหมายก็ได้แต่โดยมากทัศเยแปลว่าเครื่องหมายแก้วสินเป็นกรรมฐานยากความจริงส่วนมากที่ฟังกันมา เมื่อพูดถึงเกษินแล้วจะมีความรู้สึกว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญมากรู้สึกว่าทุกคนถ้าใครได้เจริญเกสินคนนั้นจะเป็นคนสําคัญถือเป็นกรรมฐานที่มีความยิ่งใหญ่ถ้าพูดกันตามความจริงแล้วไม่มีอะไรก็เป็นกรรมฐานส่งอารมณ์ให้เปรตสมาธิเหมือนธรรมดาธรรมดา แต่ถ้าว่าอนุสติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสิกอง <c oughs> เป็นกรรมฐ า, านที่ละเอียดมากไม่เคยมีภาพส่วนตัวชัดอย่างพุทธานุสติถ้าเราไม่นึกถึงภาพพระพุทธถ้าการนึกถึงภาพพระพุทธรูปมันเป็นกระสินถ้าเราเอาแต่แค่พุทธานุสติอย่างเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงก ร, รรมฐานสังคารุสตินึกถึงพระสง แต่เราไม่นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์ไหนหนึ่งนึกถึงความดีของมาสงนึกถึงความดีของมาธรรมนึกถึงคุณความดีของสมเด็จ พ, พระสัมมาทัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นอารมฐานที่ดีคุณใหญ่จริงแต่ถ้าว่าไม่มีนิยมหมายนี่ถ้าปฏิบัติตรงไปตรงมานะการที่แนะนำมาแล้วนร่นควบกับกระสินจากนั้นกรรมฐานประเภทเอาทุสติทั้งหมดเอาตรงไปตรงมา ไม่ถืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมนิตจึงไม่สามารถจะทรงฌานสูงได้มีกรรมฐานในนสติบางกองที่ทรงฌานได้อย่างอนาปาโนสติกก็ยังติดกองเดียวมีอานาปาโนสติกกองเดียวก็มั้งจะทรงเึ้นฌานสีได้นอกจากนั้นก็ทรงได้แค่ได้อุปจารสมาธิ แต่อย่างคนที่มีกําลังแก่กล้าจริงๆก็สามารถจะทรงได้แค่ตะโมไม่ใช่เพราะว่าเป็นกรรมฐานมีอารมณ์คิดใน่ีด้มาพูดนี่ก็สิ้นต่สิ้นทั้งสิบกองที่สามารถทรงฌานสี่ได้หมดและก็ทุกกองเหมือนกันสามารถยกเป็นพื้นฐานของสมาบัตแปดอีกได้ด้วยเพราะรูปฌานนี้ได้ด้วยเพระรูปฌา น, น, า น, นมีสี เข้าถึงสมาบัติแปได้วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงปฐวีเกสินกองต้นคําว่าปฐวีประว ด, ดินถ้าเราจะไปบัติจริงๆแต่ความจริงเกสิน้งหมดถ้าอยากพูดกันในย่อแล้วก็สักชั่วโงเดียวก็หมดสิบกองต้่งพูดกันเพื่อความเข้าใจคาว่าปฐวีเกสินคือดิน ตอนนี้การที่เอาดินมาทำนี้นี่เครื่องหมายท่านบอกว่าให้หาดินสีอรุณคือที่มีสีดแดงแดเมื่อสมัยก่อน <c oughs> รถรายเครื่องดินยังไม่มากมีปูมากถ้าใครใช้ดินขุยโปูเนี่ยเนสีแดงพอควรเอามาเป็นนี่นี่เครื่อหมายท่านให้ทําสะดึงโตถ้าจริงๆแล้วก็ประมาณพุทธครึ่ง ทำสะดึงเข้าเอาผ้ามาถึงให้ไข่กลมแล้วก็ดอาดงคุ้ยปูมาทาทาในเวลาที่จะเดิน ก, กระสกลปฏิ บ, บีกบสินก็ใตั้งสะดึงที่ทาดิงคุ้ยปูเนี่ยทาให้จบขอบอย่าเห็นขอบไม้อย่าเห็นผ้าให้เห็นเป็นดินทั้งหมดเอาวางไว้ข้างหน้าพอวางดูถนหักอันดับแรกก็นั่งขัดสาามาลก็ได้นั่งพับเพียวก็ได้ ถ่านั่งสูงจะให้ขาทำโต๊ะก็ได้จะน้อยก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทำไมห้ามทั้งหมดตรงความว่าวิธีปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามจะนั่งนอนยืนเดินแบบไหนก็ไม่ว่าได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้ลืมตาดูดินลืมตานึกถึงภาพดินมองดูดินก่อนมองดูให้จำได้ ว่าความกลมขนาดไหนสีดินงขนาดไหนจำให้ดีหลังจากนั้นก็หลับหลับหลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ภาวนาว่าปะัตตะวีกสินังไ่ลืมนะปะตตวีกสิตรงก็เรียกแดว่ากสินดินงภาวนาเรื่อยๆตามสมบัติบายอย่า่งร้อนแล้วเรื่องอารมณให้ใจเขาออกีะทิ้งไม่ได้นะ เป็นอาวาณาปัติเข้ามาคุมกสิณอีกคุมทุกกองอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนลืมตาจําดินได้ถ้าจิตอยาทิ้งลมหายใจเขาออกถ้าภาวนาว่าปฐวีกสินนาปฐวีกสินนาถ้าทิ้ลงลมหายใจเขาออกจิตจะส่งสมาธิยากนี่ถ้าบังเอิญภาพเลือนจากใจ เมื่อยดินไปเห็น้าติจิตนึกถึงไหม่ชัดลืมตาดูใหม่ก็าทำาแบบนี้ลืมตาพอดูพอจําได้ดีหลับตาใหม่ภาวนาว่าปศนวีกระติดตังใหม่ว่าเรื่อยๆไปแบบนี้วันต้นๆก็ยังคงไม่ได้อะไรนะักยังจําไม่ได้ดีก็ดังดั้งยังนั่งคุมขอบอยู่ถ้าเวลาที่ปฏิบัติแบบนี้เพรทุกคนอย่าทําร่างกายให้เครียด คือว่าอย่าทนเกินไปถ้าร่างกายปวดร่างกายเมื่อยเพี่ยนอิยาบทได้จากนั่งพระเพียบซ้ายมานั่งพระเพียบขวาจะนั่งขดามาธิมานั่งพระเพียบว่ากันไปว่ากันมาตอนนี้ท่านนั่งขดสมาธิก็ไม่ไว้นั่งพระเพียรไว้ต่ใจอย่างดีก็โตะบาวางเข้าหน้าเก้าอี้ก็ได้ แังนั้นก็ลืมตาหลับตาดูตาน้นวิธีนั่งเนี่ยไม่ได้ไม่บังคับจะเอาอย่างไหนก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านและอยู่ที่เฉพาะการนั่งนั่งให้มันสบายที่สุดใหญ่ฝืนร่างกายทาจิจทะเบียนศพนั่งก็ได้จะยิงก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้อันนี้ทามาทำไปก็มาเอิ่มันย่เอาดีไม่ได้ใหม่ๆเลิกจิตจะฟุง่งซ่านก็เลิกย่าฝืน เลิกก็เดินไปเดินมาดูโทรทัศน์บ้างดูดูวิทยุฟังยุบ้างดูโทรทัศน์บ้างคุยกับบ้างตามสมบายต่อไปถ้าใกล้จะดอนก็ดูอีกนิดหน่งดูสักหน่อยหนึ่งก็จําภาพกระสินแล้วก็นอนเลยนึกในใจว่าปทวีกระสินนาวปทวีกสินนาวภาพจะเดือนไปจ่ายใจก็าตามใจขึ้นหลับละเลือ่อนนี่พอถึงเช้ามดืดคนยกักรสินไม่ไกล จุดไฟก็เปิดไฟดูภาพจําได้ไหมจะจําจได้หลับตาเนี่ยตอนนี้ยังด่างยังน้อยก็ไม่ว่าเนื่อเนื่อเป็นวิธีปฏิบัติถ้าทำนานๆเข้าอารมณ์จะชินในเมื่ออารมณ์ชินไม่ใช่การทรงตัวก็ปรากฏภาพจาภาพดินได้หลับตานึดถึงภาพดินได้ไประเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าขานิการสมาธิจิตมีสมาธิแล้วไม่ใช่ไม่มี ดูลมให้ใจเข้าให้ใจออกแล้วก็จำภาพกระสินบ้างไม่นอนนักปเดียวเดียวภาพหายไปภาพหายไปก็นึกใหม่ดึงเข้ามาได้หรืกวก็าหายไปนักข้านั่งเข้าเลื่อนไปเลยจําไม่ได้ลืมตาดูใหม่จําภาพใหม่อย่างนี้ท่าหลวงคาณิกาสมาธิคาเมคาณิกาสมาธิที่อรภาพไม่ใช่เล็กน้อยนะ ถ้าตายจากความเบคนนี่เป็นเทวดาได้แบบสบายๆเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้แบบสบายต่อไปากาลังใจมันดีขึ้นมีความเยือกเย็งขึ้นให้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆเขามัรไดยายากโยมพุทธบริษัทอย่าบังคับเวลาเป็นเกินไปเอาให้กาลังร่างกายสบายและเวลาที่เราอยู่ห่างจากข้ากระสิน เราจะนึกถึงอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องมาตั้งท่าต่างทางนั่งตรงนี้นอนตรงนี้ไม่จำเป็นบางทีเรานั่งเล่นเล่ น, ลนสบายๆได้เราถึงข้าวกระสินได้ยังไดีมากต่อไปกําลังใจดีขึ้น <c oughs> จิตสามารถจัดภ้าวกระสินได้นานคํ <c oughs> ำว่านายก็จะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ภาพทรงตัวตานั้นได้ลมเลิกเป็นศพ ใจเริ่มเอิบอิ่มขึ้นในตอนนี้ก็สังเกตอาการห้าอย่างว่าหนึ่งมีการข น, น, นลุกสู่ทราบมีการขนทองขยองเจ้าลุกล่าวสองมีน้ำตาไหลไหม 3. สามร่างกายโยกโครงไหมสี่เต้นปรับปรับปรับปรับมันก็ปวดระาวปวร้าวตัวลอยใบกาศนี้ไหมถ้ามีอาการทราบทราบล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นถ้ามีการสูร้าเศร้ามันลมออกจากกายมีไหม อาการห้าอย่างนี่แปลาการเขาปีติ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่จะมีกับคนทุกคนเสมอไปบางคนก็สัมผัสอย่างใดอย่างหนึง่งบางคนก็ไม่สัมผัสเลยบางคนก็สัมผัสก็ห้าอย่างที่พูดมาในตอนนี้เพืจะบอกว่าอาการห้าอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึง่งมันจะเกิดกับปล่อยมันอย่าไปสนใจกับมันสนใจอารมณ์จิตของเราจิตจะมีความสุข ถ้าได้จิตเข้าในขอบเขตนี้พอจิตเข้าขอบเขตนี้ก็ถือว่ามิคืกเกสินเริ่มเข้าถึงอุปจาระสมาธิเบื้องต้นตนัน่นคือว่าถ้าลืนตาดูภาพแก้วสินแล้วก็หลับตานึกถึงจิตจะทรงตัวอยู่นานคำว่านานขั้ น, นแรกอาจจะถึงนาทีบ้างอาจจะถึงสองนาทีบ้างอาจจะถึงสามนาทีบ้าง แต่บางคนก็สามารถรักษาได้ดายกว่นี้เอาแค่หนึ่งสองสามนาทีก็ใช้ได้จิตสภาพภาพก็กสิงส่งตัวดินตาปั๊บหลับตาปั๊บนึกเพงภาพจำภาพได้ชัดส่งตัวแล้วก็มีจิตเอิบอิ่มมีความสุขในใจเกิดขึ้นความเปลื่มปิติมีขึ้นอย่างนี้เจา้าท่าุปจาราสมาธิปาระสมาธิปราระนิมิตติภาพภาพกับสิงค์เรีปาร า, านิมิต อันนี้มีหลายขั้นตอนถ้าเป็นอุปจาระนิมิตขัตน้นต้นคือจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิอันเดียวกันนะถ้าพูดถึงจิตเป็นอุปจาระสมาธิถ้าพูดถึงนิมิตเป็นอุจาระนิมิตตอนนี้จิตจะนั่งที่ไหนก็ตามไม่ต้ดูภาพก็สินนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้ถือๆเป็นอุปจาระนิมิตเบื้องตน้น ก็ต่อไปกิจีความชานาญเข้าสมาธิทรงตัวดีสามารถท่งตัวได้สูงขึ้นได้นานขึ้นกำลังแจ่มใสขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะเป็นไปตามนึกนึกให้ภาพกสินใหญ่ขึ้นภาพกระสินจะใหญ่นึกให้ภาพกระสินเล็กลงภาพกระสินจะเล็กนึกให้ภาพกระสินสูงขึ้นภาพกระสินจะสูงนึกให้ภาพสินอยู่ต่ำภาพกสินก็จะต่า ใจอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นเป็นการใจชอบอย่างนี้ถือาทางจิตถือว่าเป็นอุปจารสมาธิขั้นกลางถ้าภาพกระสินถือว่าอุปจาระนิมิตขั้นกลางต่อไปที่เข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ะอุปจาระนิมิขั้นปลาย้ต่อไปผ้ากระสินที่แรกกับของเดิมรูปหน้าตามนั้นเราสามารถบังคับไปมาได้ตามชอบใจ ก็ว่าตอนนี้จิตเก่งกว่าเก่าเห็นภาพดีกว่าเก่าสดใสดีกว่าเก่ามีความชุ่มชื่นดีกว่าเก่าดีกว่ามากตอนนี้ภาพก็เส้นเริ่มกลายสีก็เส้นเริ่มกลายตัวกลายตัวจากภาพเดิมถ้ามาหาสีเหลืองทีละหน่อยทละหน่อยทละหน่อยสีแดงก็จะเขาเคยเหลืองเขาเคลามมาลามเข้ามาลามเข้ามา ในที่สุดทั้งหมดเหลืองหมดทั้งสีทั้งผ้าปวะสินแล้วต่อไปผ้าประสินอันนี่สมาี่สูงขึ้นนะต่อไปผ้าประสินเขาเคกลายจากเหลืองไปขาวทีละน้อยทละน้อยทีละน้อ ย, นอ ย, นอยจนขาวเป็นแท่งทึบเหมือนกับผ้าขาวหรือสีขาวที่เขาทาเขาทาฝาอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเต็มอัตราเต็มกําลังยังไม่ถึงฌาน แล้วก็สามารถจะบับอุปจจาระสมาธิข้าวภาพนิดให้สูงให้ใหญ่ให้เล็กให้ต่ำให้เป็นไปตามตามชอบหลือเหมือนกันตามเดิมต่อไปถ้าจิตเข้าจะเข้าถึงฌานจิตจะทรงตัวไปเอกาตารมจิตจะมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่แล้ผ้ากระสีที่เป็นยิ้ขาจะกลายเป็นแก้วทั้งหมด เงาสีงทั้งหมดทั้งหมดดวัวเป็นแก้วใสแจ้าถ้าใสมากใสขนาดเต็มอัตราถิวเป็นชานปฐมชาตที่หนึ่งเต็มที่ตอนนี้ก็จะอธิบายแค่ปฐมชาติเพราะเหมือเวลาจะพูดถึงทั้หนดสองนาทีถึงว่าถึงชาติที่หนึ่งแล้วก็ไม่จําเป็นคขั้นที่หนึ่งแล้วที่สองที่สามที่สี่ก็หมายกันเองไม่ยากตอนนี้ก็จะพูดถนะึงอนุภาพของเงาสิี กาวสินนี่ถ้าทำได้กองใดกองหนึ่งทําให้คล่องแสดงว่ า, าไอ้ธาตุใสแบบนี้นึกว่ไรได้ทันทีทันใดอย่างนี้ประโยชน์ก็งท่าก็คือว่าจะใช้กาสินปฐวีกาสินนี่เป็นประโยชน์คือทาของอ่อนให้เป็นขอ ง, ของแข็งถ้าอย่างเราจะต้องการให้น้ําเป็นน้ําแข็งก็นึกถึงภาตุปฐวีกาสินแต่ว่าวันนี้ของปฐวีบรรดาญาดเยี่ยมนะเพราะเวลาล้ําเข้ามามาก เรื่องปฏิบีรษินผู้นี้คุยกใหม่ตอนนี้ไปพระดาญาโยนพุทธบริษัทอย่างไรตั้งใจฟังคําแนะนําในมโนมยิทธิคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจนั่นหมายความในตอนแรกผู้ฝึกจะต้องได้ทิฏฐิจุญานก่อนขอให้เข้าใจคําว่าทิฏฐิจุญานคําว่าทิฏฐิญาณนี่ไม่แปลว่าตาคิด เขาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพตไม่ใช่ไม่ใช่ตาทิพตนะใจทิพตไอ้ความรู้สึกทางใจก็ให้เชื่ออารมณ์แรกถ้าเวลาที่ครูก็าฝึกเขาจะให้บรรดา ญ, ญาโยมพเขาริษัทภาวนากับรู้ลมหายใจก็ออกประมาณสิบนาทีเพื่อหนักแรกเขาจะให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาตาม ธรรมนาก็อย่างนี้ใช้ความธรรมนาสี่คำไปใช้คู่กันหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระพระจะลรียนนะธรรดาวหายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกก็พระพระและ้วเวลาหายใจเข้าหออ า, ายออกธรรมดาญาติโยมพระธบริษัทเวลานั้นระวังใจอย่าให้จิตไปอยากรู้อยากเห็นอะไร ถาบเมันอยากรู้อยากเห็นเข้ารู้สึกถูกก็ห้ามเสียเริ่มรู้ระมัดใจเข้าออกไหวภาวนาใหม่เมื่อค่านเวลาประมาณสิบนาทีแล้วก็ยังมีคนเข้าไปนั่งข น, น้าหรือนั่งกลางวงคนที่นั่งข น, น้าหรือนั่งกลางวงเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั่งบรรดาญาติโยมทั้งหมดที่ตึ่เลิกภาวนาแล้วก็เลิกสนใจจะราให้ใจเข้าออก ขณะที่ครูเขแนะนําในการตัดกิเลสพูดดังนธรรมะตั้งใจฟังเสียงเขาด้านธรรมะถ้าคิดไปด้วยได้ก็จะดีมากตั้งการตั้งใจฟังเสียงธรรมะเวลาด้านจิตจะค่อยๆจางจากกิเลสถ้าคิดไปด้วยจิตจะสลายกิเลสจะสลายตัวจากจิตเร็วเข้าต่อไปเมื่อครูเห็นว่าจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควร เขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกขบันดาญาโยมพระธรรมสัจผู้รับปฏิบัติให้ถือความรู้สึกอารมณ์ที่รู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเป็นสำคัญเขาถามว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีเขว่าถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย มีความรู้สึกยังไงต่อตามนั้นแล้วก็ถามว่าท่านมนั่นจะแต่งตัวเสียอะไรได้ตอบตามความรู้สึกแม่ไม่เห็นว่าไอ้เชี่ยความรู้สึกเพราะคำมาที่กุญานี่แปลว่าความรู้สึกของจิตเป็นทิพเศผลที่ได้ยังไม่เสมอกันบางคนมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพนี่จิตสะอาดน้อยถ้าจิตสะอาดกลางมีความรู้สึกก็เห็นจิตเป็นภาพชัดเจนแจ่มใสไม่แจ่มใสนัก ไปจิตมีความสะอาดบากลางจิตมีความรู้สึกกับจิตมีความขณะเห็นภาพใหม่ชัดเจนภาพจิตสะาที่สุดจิตมีความรู้สึกว่ามจิตเ ห, ห, ห, ห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากได้พระยาพาไปพระจุฬามณีจิตแข็งแล้วก็ไปสู่นิพพ า, ต า, ตากนกางกลางวรนดาญาโยมพระตุภีร์สาอรันดาญาโยมนั้งหลวันนี้ผู้ใจขอราสินยาวไปเวลาหมดตอนนี้ไปพระวันดาญาโยมทั้งหมดหันหน้าไปทางพระตุลก